วันนี้เป็นวันพระเดือนเก้าตับเป็นบุญประเพณีของพวกเราอย่างที่พูดเมื่อเช้าเดือนเก้าตัดตรงกับวันที่สามสิบสิงหาห้าหนึ่งเป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราเป็นวันที่พวกเราอมเพ็น การกุศลจะตามไปเองวันนี้ถือว่าวันพิเศษในภาคตะวันออกเฉียงเหลือของพวกเราเป็นการทําบุญในท้องถิ่นโนกเป็นการทําบุญตามประเพณีท้องถิน่นเป็นการทําบุญข้าวประิพณีในวันพระนาเดินสิบเพ็นเป็นการทําบุญข้าวฉลากตพะัดทำบุญ ฉลกระพัดแต่เดินเก้าวดับเนเป็นทั้งุนข้าวประดับดินแต่ตามไม่จริงก็คนโบ ร, โบราณเขา้าผสมมุติขึ้นมาทำใหมอย่างนั้นลูกหลานเกิดใม่ใหญ่ทีหลังจะไม่ลึกถึงไทยจะไม่จะลึกถึงไท ย, ไมไทยเมื่อตัวเองเกิดมาจากจอมปวกโพรงม้อย่าง น, นัไม่ได้คิดถึง มีอุปกระคุณคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ท่านได้หารับมาให้พวกเราที่เลือกสวนไรนาเรินมทำทรัพสมบัติส่งเสียการศึกษาจนในเด็กได้ดีแล้วก็พร้อมกันพวกเราได้ชีพระร่างกายจากหัวจดเท้าเราได้มาจากพ่อจากแม่ คนโบราณเขาหนักปาร์ตวันดิตเขาเขาเลยสมมติเป็นวันสําคัญขึ้นมาเพื่อให้พวกลกูกหลานทั้งหลายได้สํานึกถึงวันขบรุษของตนเองไม่ว่าชาติไหนใวัฒนธรรมเยเชียของเราคืออย่างจีนกีนรู้สึกว่าเขาจะถือเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากะจะต้องเป็นมีหลายๆวันด้วยของเมืองเขาจีน แต่เมืองไทยของเราก็มีนี่แหละทางอีสานของเรากคือวันเข้าวกระตินฉลาดกระพักจากนั้นก็เป็นวันธรรมดาคือวันพระพุทธเจ้าประสูตัสรุแล้วกัวันวันสงการวันปีใหม่อันแต่วันสงการวันปีใหม่ก็เป็นวันรนเริงบันเทิงแต่วันเดือนเข้าวับกระเดินสิบเพนเนี่ยเป็น วันที่ทำบุญถึงอุทิศสวนกุศลถึงผู้มีอุปกราระคุณที่หลวงพ่อได้กล่าวในเช้าเกี่ยวกับการทําบุญอุทิศสวนกุศลถึงเรียนต่ญาติแต่ถึงอย่างไรก็ตามหลวงข้อว่าการทําบุญอุทิศสวนกุศลคือเป็นเรื่องปลายทาไมจง ว, ว่าเป็นเรื่องเรื่องปลาย เพราะผู้ท่านลวงรับไปแล้วท่านก็ไม่ได้คิดบางทีท่านอาจจะคิดแต่ว่าการกระทำของท่านนั้นยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางคือยังไม่หมดชิ้นจากอาสวัวย์ทีเลนพวกเราที่อยู่เมื่อหลังก็จะทำบุญที่ส่วนกุศลให้ท่านบางทีอาจจะได้รับบางทีอาจจะไม่ได้รับเพราะว่า วิยญาณของท่านเหล่านั้นไม่รู้จะตกไปอยู่นสถานที่ใดาบางทีไปเกิดเป็นพรหมท่านก็อยู่อย่างพรหมท่านก็ไม่ได้มาทักขาสุนบูนสุนกุศลถ้าไปอยู่สวรรค์ท่านก็เป็นอยู่แบบสวรรค์นึกคิดขึ้นมาเป็นบุญเป็นกุศลของท่านแต่ถ้าว่าท่านเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดแล้วบุญกุศลที่ท่านทำให้ ก็ไม่ได้รับเพราะว่าชีวิตของมนุษย์คืออะไรแต่ทางพวกเราททั้งหลายได้เห็นแต่บางครั้งอาจจะมีส่วนดูบ้างเพออวันนี้ทํำไมใจของเราเอิบอยู่ใจของเราสบายบางทีอาจจะเป็นยากพี่น้องเราทำบุญที่ส่วนขุศลให้เราก็ได้แต่ถ้าวันต่างวันนั้นหกไปก็เป็น ไ, ไปเกิดเป็นสัตว์เจดีย์ฉันอาหารของสัตว์เจดีย์ฉานมังประเภทีภกประเภทของเขาก็มี เป็นความเป็นอยู่ของเขาเราทําบุญบุธชวนกุศลให้ก็ไม่ได้รับเพราะว่าเขามีภพภูมิของเขาดีแล้วแต่จะไปตกนรกก็เหมือนเราลงส่งลงเข้าไปในคโกเข้าตลาดอย่างนั้นแต่เราส่งเข้าวามเข้าไปเป็นโคอุกสกันพราะมันติดโคกก็ต้องไม่ได้รับบีณที่ได้รับคืออะไรพระพุทธญาณตรัสไปว่า เป็นเปรต ป, ประเภทเปรดที่ล่องรอยเป็นเปรตอชุรการเปตตัวิสัยมากก็ไม่มากบุญก็ไม่มากพอตายไปแล้วก็เป็นวิญญาณเรื่องลอยลอยคอยรับบุญกุศลจากพี่น้องอยู่อันนี้จะได้รับช่วบุญกุนกุศลจากพวกเราที่อยู่ด้านหมังทำพุมุทิศช่วนกุศลไปให้แต่นอกการไปแล้วพยายางที่ หลวงพ่อได้ ก, กล่าวในภพภูมิต่างๆของเขาเขาคงมีการเป็นอยู่หรือว่าอาหารของเขาการจุ๋ยของเขาก็เป็นคนละภพคนละภูมิกันแต่ยังเหลือแต่พวกที่เป็นเปรตยัง ไ, ไปไหนยังไม่ได้แต่พวกเราไปโลบรวมช่วยให้เดี๋ยวเอาเงินให้อยากใช้มือให้ เอาบุญกุศลอยากใส่ใจให้ท่านเหล่านั้นอ น, อนุโมทนาบุญกุศลจากพวกเราท่าเหล่านั้นก็ไปเกิดไปพบภูมิต่างๆตามที่บุญกุศลของเขาจะเกิดปูหนุนอันนี้คือเป็นการทําบุญทิศส่วนกุศลให้แก่เปรตญาตแต่ถ้าเรารู้แล้วว่าการทําอย่างนั้นก็ไม่ได้มีเด็ดเ เพศสองจาพวกนั้นเองที่จะมาส่วนรับส่วนส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราแต่พวกเราจะทำบุญทำกุศลให้อันนี้นถ้าว่าเราเราก็ไม่มั่นใจว่าพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายตายของเราจะอยู่ในระดับไหนถ้าท่านคอยรับชนบุญส่วกุศลพวกเราอยู่แต่ว่าพวกเราไม่รูทิศส่วนกุศลให้เมือกับพวกเราใจจืดใจจาง แต่ไม่ได้ลืกถึงปุ่นคุณของผู้มีอุปการะคุณแต่ถึงอย่างไรก็ตามในหลักของพระศาสนาเมื่อเราประเทศส่วนกุศลไปแล้วแต่ท่านเหล่านั้นไม่ได้รับต้เหมือนปุ่นกุศลก็ไหลกลับเข้ามาหาตัวเองเหมือนกับเราเหมือนกับพวกเราส่งของไปชนีอย่างนั้นแต่ทางเราไปชนีซื่อสัตย์ไปชนีที่มีคุณภาพ ฐานลเราส่งของทางไปชนีบุรุษไปชนีไปหาที่ลงไม่ได้เพราะว่าปลายทางไม่มีผู้รับเนี่ยผูรับไม่ได้รับอย่างที่หลวงพ่อเนีพูดไปเกิดเป็นครหมไปเกิดเป็ น, เ, ปนเทวดาไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นสัตว์ที่ได้ฌานไปตกนรกแปลว่าปลายทางรัไม่ได้ที่เราุทิดไปแล้วบุญกุศลน่าจไหลกลับเข้ามาหาพวกเราที่ทําที่สร้างบุญสร้างกุศล ที่พวกเราเป็นคนทำบุญกุศล้วเข้ามาสู่กิตใจของพวกเราเป็นสองทวีคูณเพราะนั้นแต่เพราะเหตุใจเพราะว่าอันหนึ่งเรามีเมตตาเราอุดมกิดอุทิศกุกุศลถึงผู้มีอุปก ร, ราคุณอันนี้ก็เป็นบุญอยู่แล้วที่เราะระลึก ถ, ถึงบุญคุณของพ่อของแม่ปู่ย่าตายายเป็นบุญเป็นกุศลอยู่แล้วเมื่อเราอุทิศ่วนกุศลให้แต่ทำก็ไม่ได้รเพราะนั้นจึงเป็น ลักษณะรังสองก็นันเดเป็นการบำลึกถึงบุญคุณก็เป็นบุญกุศลแล้วท่านไม่ได้รับอีกบุญกุศลก็ย้อนกลับมาหาพวกเราอีกอันนี้ก็คือเป็นการอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปการะคุณแต่พ่อพระเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเน้นหนักจีบว่าเรามีชีวิตอยู่ขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้ เราไม่ควรจะให้คนอื่นทำบุญกุทิศส่วนกุศลนให้สิ่งไหนที่เป็นมูลเป็นกุศลนให้พวกเราเรียบทำพวกเราก็เชื่อทำบุญดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปเราทำไมจึงจะให้คนอื่นทำบุญกุทิศส่วนกุศชให้เราเราค อ, คอยรับจากคนอื่นเขาบางทีเขาก็ให้บางเขาไม่ให้บางเขาเชื่อบ้างเขาไม่เชื่อบ้าง แต่นี้เราไปคอยรับของเขาเราก็เสี่ยงแล้วเกินบางทีอาจจะไม่ได้รับกับเขาก็ได้เพราะนั้นพระพุทเจ้าครูบาอาจารย์กเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราจะควรจะทำสิ่งไหนควรจะให้ทานอย่างไรควรจะรักษาศีลอย่างไรควรจะไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาอย่างไรพบะบุญกุศลที่พวกเรา ในธรมนั้นมีมากมายมีหลายอย่างการปฏิบัติบิดามารดาดูแลอุปถัมภถาท่านก็เป็นบุญเป็นกุศลเราอุปถัมภถาครูบาอาจารย์ก็เป็นบุญเป็นกุศลเราให้ทานต่อสัพสัพทั้งหลายต่อผู้มีสิ่เราก็เป็นบุญเป็นกุศลตามขั้นตอน ให้ทานกับกูได้เก่าให้ทานกับพระอรานันผู้หมดจดจากกิเลสกุศลมหาศาลาให้ทานเก่บพระสงฆ์ผูกสงศิ์สงสส ง, สงธรรมแต่ไม่ถึงกับสาเร็จอันนี้ก็บุญกุศลก็มากถ้าไว้ให้ทานต่อผู้มีผู้ยากไร้แต่เป็นคนเป็นคนดีคะอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลให้ทานกับคน ขาดชิ้นขาดทำแบบเป็นคนอันนี้ก็บุญบุญกุศลก็รั้งลงมาในตรอดถึงสัพพสัตถ์ทั้งหลายบุญกุศลก่อนด้อยลงมาตามระดับอันนี้ก็คือการทานส่วนรักษาสินก็คือรักษากายวายใจาของพวกเราให้เรียบร้อยไม่มีโทษอย่งพวกเรารักษาอย่างวันนี้ใ้ตวรวตราดู ดยกายด้วยวหวจ้าไม่ทาซับไม่ขโมยซับไม่ พ, พูดปิดในกลามไม่กลามุสาไม่ดื่มโซราอันนี้นจะเป็นสินห้าแล้วจากนั้นเราเพิ่มเข้าอพิจิตรสินขัดเรากิเลสเพื่อชำระสังสารกิเลสความโลภความโกรธความหลงในปีกใจของเราเราก็เพิ่มข้ออีกวิการละโพไม่ทานอาหารเย็นนักจกีแต่ไม่ถัดตรงดอกไมยของหอม ไม่ฟังเสียงร้องรำทำเพลงแต่นะนั้นเพิ่มเข้อพิจารณาคือไม่นอนที่นอนอันใหญ่ที่งยักยุ่งและสาลนะีเพื่อไม่ให้มันติดในความสุขในการนอนการอยู่นะอันนี้ก็คือเป็นสินคุโบสดสินทั้งสิแปดแต่กว่านั้นสินตรงนี้รุ่นแล้วจะเป็นคุณงามความดีทั้งนั้นที่รักษาสิน สินกายวาจาของเราเป็นพื้นฐานดีแล้วเราจะนั่งสมาธิจิตใจข อ, ของเราก็เข้าสู่ความสงบได้ง่ายเพราะเราทำถูกมาโดยลำดับลำดับจิตใจของเราอ่อนน้อมต่อผู้มีอุปการะราคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายองศาคนาญาติชั้นประสัตท์ทั้งหลายทุกวิญญา ผู้ที่จะมารับโฉนโฉนโฉนของข้าพเจ้าข้าพเจ้ากินดีแผ่ทิ้งโฉนุศลให้ท่านรวงวิญญาณท่านเหล่านั้นอันนี้จะคือการแผ่ที่โฉนโุศลพราะขุทเเจ้าท่านบอกว่าดูกรพระสงฆทั้งหลายพวกท่าทั้งหลายมีเมตตาจิตเพียงรับดิ้วมือเดียวตัดดิ้วมือข้าพเจ้าแฝงดิ้วมือเพียงรับนิ้วมือเดียวุทิศงโฉนโฉนแผ่เมตตา บุญกุศลในการแผ่เมตตานั้นมีมากมายแม่ไม่ต้องกล่าวถึงว่าท่านมีเมตตาตลอดทั้งวันทั้งคืนกุศลนั้นหาประมาณไม่ได้นี่แหละคือเพียงแต่กล่าวเพียงแต่แผ่เมตตาเพียงลับในมือเดียวแต่บุญกุศลก็ยังมากมายแม้แต่นั้นพวกเราทุกๆท่านเรื่องแผ่เมตตากุศนกุศลไม่ใช่ของเล็กน้อย เป็นทําให้ติดแก๊งเราอ่อนโยนอ่อนน้อมท่อมตนไม่แย้งกระดา้แต่ไม่ถูกพยาบาทพาคาดแกะใครๆั้งหมดพร้อมที่จะให้อภัยเพราะต่างคนก็ต่างเกิดต่างคนก็ต่างมาเกิดไปโลกต่างคนก็ต่างตายไปไม่ได้อยู่ด้วยกันพวกเราทั้ทําหลายเห็นปู่ย่าตายายของเราท่านอยู่ด้วยกัน จากนั้นมาท่านกต่างคนก็ต่างไปพวกเราก็ไม่แพ้กันไปอย่างนั้นเพราะนั้นให้สังสมคุณงาความดีเอาไว้อย่าทำไปด้วยความประมาทอะไรหรือจักว่าเป็นหมวดศีลหมวดสมาที่ทุดคือทำจิตใจให้สงบทีที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอ น, นได้ค้นควา้าในศึกษาจากนั้นก็ได้นํามามาบอกประกาศมาบอกกล่าวพวกเรา ให้ ป, ปฏิบัติตามก็คือทำจิตใจให้สงบกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้ก็คือเรื่องวิธีทางเดินของจิตในของจิตของใจดูใจอันนี้วิธีการเดินของใจทำใจให้สงบทำใจให้เป็นหนึง่งอันนี้ก็คือเรื่องวิธีของใจเลยเรื่องต้นเป็นเรื่องของ ของกายคือเรื่องของร่างกายที่จะต้องคิดทำแต่ไปในทางที่ถูกต้องแต่เมื่อเราพูดทำในสิ่งถูกต้องแล้วเราอยู่ถสถานที่ใดมีแต่ความสงบร่อมเย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนคงไหวเขาไม่ได้กลุ่มชนชนไหนก็มีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นถุขเรรชมชมชมมพราะ ม, เเมีเมตตามีการให้อาภายัยมีการเสียสละ แล้วก็สํารวมกายวาจาของเราอีกให้มีโทษสี่ไหนที่มันจะเป็นโทษจะเป็นที่เป็นภยัยเราก็พร้อมที่จะให้อาภายัยพร้อมที่จะลดระดมระวังในการเป็นอยู่ของเรากานตนก็ต่างรบมรัดระวังการอยู่ด้วยกันก็สงบพรมงเย็นเป็นสุขเพราะไม่ต่างคนก็ต่างระวังไฟของตัาเองไม่แห้ไปเผาคนอื่อมันนากลันี่แหละอนอารคือจะพัเป็นหมวดสิน สมวสมาธิหคือพยายามบังคับจิตใจไม่ให้นึกคิดไปออกนอกรูกนอกทางให้จิตใจอยู่นิ่งกับตัวเองให้มีสติสัมปชัญญะในการย่างก้าวในการเคลื่อนไหวไปมาทุกริยบทพยายามให้มีสติในการเป็นอยู่อันนี้เรียกว่าสติเพื่อจะทำให้จิตใจเป็นสมาธิ สติสัมปชัญญะสติคือความประฤติได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวถ้าเราจะทําจิตใจให้สงบเราต้องมีสติสัมปชัญญะถ้าคนขาดสติสัมปชัญญะแล้วสติเลื่อนลอยสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสติของเราเหมือนกับว่าเชือกขาดอย่นั้นไม่รู้ว่ามันไปไหนฉะนพระก็คือ สติห่างจากตัวเองอันนี้ใจจะเข้าสู่ความสงบเป็นไปไม่ได้พราะเหตุไรประวัติสติของเราไม่จข็งแกรงเพราะฉะนั้นเครื่งสติเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่เฉพาะผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีหน้าที่การงานอื่นใดก็ตามที่จะทําการงานอย่างละเอียดไตร จิตสติเป็นสิตที่จำเป็นสําคัญอย่างยิ่งสมมุติว่าเราทําเครื่องจักรเครื่องยนต์คนไกรเรื่องอะไรก็าตามส่มสิ่งคองอะไรก็าตามถ้าเป็นเรื่องละเอียดออแล้วสมาธิเป็นสิ่งจําเป็นสําคัญอย่างยิ่งแต่เราพร้อมกันที่เราจะคิดอีกเหมือนกันคิดสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนคิดตัวเลขบางคิดเรื่องบัญชีหักตกบุญนี่บ้าง เรื่องจะวางแผนเรื่องอะไรเรื่องคิดเป็นทนังสือหรือเป็นคําพูดเรื่องอะไรก็ตามที่มันละเอียดสมาธิยิ่งจําเป็นสําคัญในในระดับนั้นถึงเราจะว่าสมาธิหรือไม่สมาธิก็าตามแต่ในจุดนั้นน่นนะเป็นเรื่องสมาธิัจิตใจอยู่กับตัวเองจะต้องนํามาคิดนํามาพิจารณาเรื่องนั้นนั้นให้ประสบความสําเร็จ ตัวแต่งคําพูดให้มันสละสลวยอย่างนี้พูดยจงไหนมันจึงจะเหมาะสมอย่างนี้โนดคาพูดไหนที่มันควรจะพูดอย่างอย่างนี้ยตัวแต่งหนังสือเขียนหนังสืออย่างนี้รอดแล้วจะมีสมาธิอยู่ในนั้นเพราะ้นสมาธินี่ยถ้าจะว่างไปแล้วมันใช้ใช้ได้ในที่ทุกสถาน ถ้าว่าเราจิตใจขอเราเลื่อนอยจิตใจของเราไม่อยู่กับเนื้อตัวแล้วเราจะพิจารณาแลว้วเราจะทำอะไรที่โปรงไปมันจะทําได้ยากมากเพราะเตุใดเพใจของเราไม่เป็นสมาธิเพราะ้วก่อนที่จะสมาธิจะเกิดขึ้นมาได้นั้นในหลักของพุทธะพระพุทธองค์เขาให้ บ, บังคับใจของเรเองให้อยู่กับอริยบทใดอริยบทหนึ่งจะเป็นยืนเดินนั่งนอน แต่โดยมากนอนจะหลัมีแต่ยืนเดินนั่งให้ดูในอริยบทให้มีสติอยู่ในอริยบทแต่ทา่านก่ยังเน้นลงไปอีกว่าอริยบทนั่งให้นัางกำลังลมหายใจเพราลมหายใจเข้าออกมันมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลามันผ่านจมูกของเราอยู่ตลอดเวลาก็นั้นให้เอาสติกับจุดที่ลมหายใจเขา้าหายใจออกถ้าเราเดินเราก็ก้าว เดินในเท้าหัราลอดราง้าวเดินขาขวาขาซ้ายอันนี้คือวิธีการก้าวก้าวเดินแต่วิธีการยืนเมื่อท่านยืนขึ้นมากำหนดลมหายใจเข้าออกในขณะที่ยืน <Yeah. S 1> อันนั้นก่อนหนะแต่ดูให้อยู่ในร่างกายของตนเองอย่าไปคิดออกไปทางนอกให้มีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาแปลว่าสติอยู่ในกายอันนี้ก็คือเป็นเหตุ ว่าเป็นเรื่องที่จะต้อง ท, ทําจิตให้สงบได้เมื่อจิตใจของเราอยู่ในร่างกายตลอดอยไอ่ไม่เผลอไม่เผลอไหลไปทางอื่นดูกับเนื้อกับตัวอย่ตลอดอีกสักวันหนึ่งจิตใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งอย่างละเอียดอย่าแม่แน่นิ่เพราะว่าสมาธิมันมีถึงสามระดับ ในหลัก ร, รมที่พระพุทจ้าที่ตัาบอกกล่าวเอาไว้คณินีกาสมาธิเรามีความพยายามไมปเหจิตปงนุ่ ง, งออกไปข้างนอกพยายามจับจิตจับกจไปอยู่จุดใด้ตหึกงจิตของเราจะเข้าสู่ความฉงบเป็นระยะหนึ่งคือมันจะเหมือนกับเหมือนกับเคลิ้มหรือมันนอนหลับแต่ว่ามันชัดกว่า จิตเข้ามารวมดูในความรู้สึกตัวเองจงวันว่าบก็ใช่จวันนิ่งก็ใช่แต่สุบแล้วก็คือจิตสงบแต่มันประเดียวประดาขยินตาด้หยนิด น, อน่อโช่วคราวช่วครู่แต่จิตแจเข้าสู่ความสุบแต่จิตแปกแตกต่างกว่าจิตธรรมดาที่เคยเป็นมาเพียงแค่นี้พวกเราจะจำไม่ลืม เมื่อจิตสงบเข้าสู่ความสงบในระดับหนึ่งประโยชน์ขณะสมาธิอุปจารสมาธิเราพยายามเอาสติอยู่กับตัวผู้รู้เรือดตมลมหายใจเขาออกอย่างที่ว่าสติกับจิตนั้นรู้กับสติคมจิตใจตัวผู้รู้รนะู้นสติอยู่กับตัวรู้ ร, รู้สติใจเลือดเชอร์อะไร สติตอนนี้ควบคุมแต่ใครถ้าว่าเป็นเครื่องค้อบดูไรจิตใจใจจะอยู่ในระดับไหนจะพิจารณาอะไรจะชิดเครื่องอะไรจะมีสติอยู่ในความคิด น, นั้นอันนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิคือจิตไม่ทะเลไะอะไจะลืมตัวจะไม่มองไม่เห็นตัวเองแต่ถ้าว่ามันเผลอไปกว่าจะรู้ได้ น, นั้นแปลว่าขาดสติแล้วจิตใจไม่เป็นสมาธิและ้ะ แต่ขณะที่เป็นสมาธินั้นใจล้ดูกับตัวเดี๋ยวนี้เรานึกคิดเรื่องอะไรสติของเราทันทันกับจิตใจย่าจิตอยู่ก็ใช่ต่ ว, ว่าจัดว่าจิตสงบแต่มันผมไม่ใช่สงบกับจิตอยู่ให้ถ้าเราจะสติควบคุมจิตให้อยู่สติควบคุมจิตจิตนึกคิดเรื่องอะไรเรารู้พราเราสติเราทัน อันนี้ก็อุปจารสมาธิแต่อุปจารสมาธิขั้นนี้แหละที่จะนํามาพิจารณาทางด้านปัญญาไตรตรองหาเหตุและผลคือสมาธิอุปจารสมาธิแต่ถ้าว่าจิตใจของเราเลื่อนลอยแ จ, จงเราฟูทุ่งซ่งานเราจะมาคิดหาเรื่องเหตุแ่ะงคนนั้นมันก็ไหลไปไหลามาสวัสดไปสวัสดมามันจะไม่เป็นเหตุเป็นผลที่แท้จริง พอเหตุไปเพราะใจของเรามันไม่ยังไม่มีเหตุผลจิตใจของเราจะปูฟูอยู่โดยมากมันจะเข้าข้างตัวเองแต่ว่าจิตเป็นสมาธิเนี่ยมันจิตเป็นกลา ง, ลางมันจะไม่เข้าขัางมันจะไม่เข้าข้างนี้จิตใจเป็นกลา ง, ลางรู้เห็นตามความเป็นจริงอันนี้เราจิตในช่วงที่เป็นสมาธิอุปจารสมาธิแต่เรามีความพยายาม ตำวนนรวจใม่รีไปอีกเดี๋ยตจจบอลงไปอีกจนกิเขาสูบความสงบเป็นบท่านนั้นเราอัปปนาสมาธิีวมันลึกลงไปอีกนะคับ ป, ปนาสมาธิอันนี้่ะไม่รับรู้ไม่ได้ยินเสียงภายนอกเสียงมาลงเสียงมาแรร้องจกชกเจะไม่ไดินเสียงรถเสียงวาเสียงมาหฟ้าร้องจะไม่ไดยิน มีแต่สติกับจิตนิ่ง ไ, ไม่รับรู้ทางกายเลยดูนิ่งมีสติสตอ ด, ดเด่นเห็นใจตัวเองโดดเด่นใจกับสติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนั้นเรียกว่าอัปปนาสมาธิแต่อัปปนาสมาธินี่ไม่ใช่ว่าจะสงบกายในหน้าไม่ใช่ว่าจะไปที่ไหนอยากจะสงบไม่ใช่อย่าไปคิดอย่างนั้นครับเป็นอย่างนั้นก็ถ้าว่าจิตสงบอย่างนั้นก็เราไป น, นั่งในที่ ชาติตามจะไป น, นัง่งในถนนเดินไปในถนนจิตสบทำยังไงอันนั้นอย่าไปคิดจิตประเภทนี้จิตที่มีสติมีปัญญารอบรู้ในตัวของเขามากทีเดียวมันจึงจะสงบได้ถ้าจิตจะมีภาวะกวลหรือมีเรื่องที่ตกกังวลอยู่จิตประเภทนี้จะเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งไม่ได้เด็ดขาดพูดอย่างนั้นได้ อยู่ในที่ปลอดภัยไม่มีอะไรจิตจึงจะรวมลงเป็นห น, นึ่งได้เพราะนั้นจิบที่เป็นอัปปนานสมาธิจะมีความสุขจะรู้นนได้ด้วยตนเองเราไม่ต้องถามใครอีกกว่าอ น, นี้จิตสงบไหมถ้าถามก็ถามแบบรองเชิญแล้วว่าถามแบบให้คนอื่นรู้ตัวเองว่าจิตแหนี้คือจิตอะไรแต่ในใจคงตัวเองนะร้อยทั้งร้อย ว่าจิตประเภทนี้คือตปานาสมาธิจิโตโฉเป็นแบบจากนั้นเมื่อในเวลานหว่าถึงบทกำลังเข้ามาแล้วก็ถอนขึ้นมาพอถอนขึ้นมาไปดูในขั้นอุปจารสมาธิอยู่ในระดับจิตใจใจะตติกับจิตดูแ ล, แลเห็นกันอยู่แต่ว่าความอิดอิ่มในใจิตในใจ น, นั้นเอึดอิ่มอยู่หลายวันทีเดียวนะ กิจโม ป, ประเภทนี้จนถึงไฟว้วาอยากแก้มันเป็นอย่างนั้นอีกบางคนจะเสีย อ, อกเสียใจนั่งพานาไปแต่แก้มันเป็นอย่างนั้นอีกแต่โดยมากมันจะไม่เข้ามันจะไม่สงบแต่ถ้าว่าเราปล่อยตามธรรมดาจะเป็นยังไงก็ช่า ง, งจะเข้ า, ขาือไม่เข้าจะสงบก็ไม่สงบเราไม่สนใจ เราจะพยายามหาตนเองกําหนดให้จิตใจของเราอยู่กับตัวไม่ต้องจะให้มันสงบระดับไหนเราไม่สนใจเพียงแต่ว่าเราจะบังคับเพื่อจะให้จิตอยู่กับตัวเองเท่านั้นแหะจะเป็นขั้นไหนเราไม่ได้สนใจถ้าเป็นลักษณะอางนั้นมันจะเมื่อเราไม่ได้มุ่งมั่นกันมันจะสงบของมันไปเองอันนี้คือวิธีการ ที่จะให้จิตโฉกแต่ถ้าว่าเรามีความพยายามเพราะเขาที่จะโฉกจิตที่ลักษณะนี้เขาก่อนมัจะสฉกตรงนี้แหละอพอไปถึงจุดนั้นมันกระ thon ขึ้นมาซะามันไม่ลงด้อยมากเป็นลักษณะนี้ทั้งผู้ปฏิบัติทั้งหลายผลที่สุฉก็เลยบอกอ่อนหลกอ่อนใจตัวเลยถอยไปก็มีตามไม่จริงถอนไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าทําต่อไปมันะจะเกิดประโยชน์มากกว่า เมือนกัเราทํานเาเนี่ยพอทํานาแล้วเอือมีข้าวกินถึงจะไม่ได้มากก็มีข้าวกินแต่ถ้าเราไม่ทําเฉยๆไม่มีข้าวกินทจะดีกว่าเลยมันไม่ดีกว่าก็เหตุไรเพราะไม่มีข้าวกินอันนี้ก็เหมือนกันการทําสมาธิถ้หยุดเฉยๆเนี่ยพมันทําไปไม่ได้แล้วหยุดเฉยดีกว่ามันไม่หาดีกว่าไม่ได้เพราะว่า มีแต่กิเลสราคะโทสาโมหะมะลุมมะทุกข์เข้ามากิตใจจึงเข้ามุมอับมุมปวดบอดจะเป็นดีย่ายิบได้อย่างไรแต่ถ้าว่าเราทำสมาธิเข้ามาแล้วอย่างว่าก็ขัดเกา่ารู้เรื่องของจิตรู้เรื่องของใจใจของเราลึกชิดเรื่องอะไรเราก็รู้ได้ด้วยตนเองในขณะที่เรากาหนดสติอยู่กับตัวผู้รู้รอยู่ดัะนั้นพวกเรา ท, ทุกท่าน เรื่ยสมาธิมีอยู่สามขั้นมีอยู่สามระดับนะคือขั้นนีกสมาธิอุปจาระสมาธิตับปัญาสมาธิไม่เกินกว่านี้อันนี้คือเรื่องสมาธิมีอยู่สามระดับแต่เมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งโดด ร, รดับไหน่จะเป็นอัปปนาสมาธิเลยแปลว่าพิจารณาอะไรไม่ได้ละพิจารณางไปพักผน แต่ว่าเรารู้ได้ด้วยตัวเองว่าร่างกายครับจิตใจเนี่ยเป็นคนอะอันกันเหมือนกับไข่อยู่ในจานนี้นลักษณะอย่างนั้นเห็นได้ชัดเพื่อตัวเองไข่อยู่ในจานทางไหนความรู้ของเรากับร่างกายเขาจะเห็นได้ชัดอย่างนั้นไข่ในจานวันนั้นจานก็คือจานไข่ก็คือไข่อันนี้ตรเหมือนกันร่างกายคือร่างกายใจก็คือใจ แต่อาศัยกันอยู่แต่ไม่ใช่อันเดียวกันอนนี้เราเห็นได้ชัดเมื่อจิดสูบลงเป็นตันปปนาสมาธิอั น, นี้จะมีประโยชน์อย่างมากสําหรับพวกเราให้รู้ให้ได้เห็นมาตายแล้วเกิดได้ตายและสูญไม่ต้องถามใครรู้ได้ด้วยตนเองจิตประเภทที่ว่าตัปปนาสมาธิีแต่เมื่อถอนขึ้นมามาสู่ปัจจาระสมาธิเดี๋ยวจากนั้นกเอกให้ออก แต่โดยมากแต่บางท่านบางคนที่ไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้ฟังจากครูบาอาจารย์มาก่อนพอเข้าไปเป็นจิตเข้าสู่ความสงบและติดในความสงบนั้นคิดว่ามันจะเดินปัญญาที่ว่ามันจะเกิดปัญญาเองอย่างนั้นคนมีอยู่มากที่ครูบาอาจารย์บางท่านมาโ ง, ง์ท่านปฏิบัติไปไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังจากครูบาอาจารย์ที่ท่านผูรู้เดินทางวิัสนามาก่อน พอจิตเข้าสู่ความสงบแล้วก็ที่ว่ามันจะเกิดปัญญามันจะปิ่งไปเองมันจะเกิดปัญญาไปเองอันนั้นก็มีมีอยู่มากพอสมควรแต่ถ้าว่าเราได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์แล้วท่านบอกว่าเมื่อจิตสงบแล้วพยายามออกจะได้หลับทำแม้ทั้งใจไปดกท่านบอกว่าอย่ายินดีในการทก ที่ไม่ได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์เาวอกพักขขาติดคืออะไรประโ s h สัยอีกคือพักในสมาธิอย่ายินตีในการพักในสมาธิจนเกินไปถ้าเราพักในสมาธิจนเกินไปเราจะติดในสมาธิพอกําหนดตรงหายใจเขาออกด้วยว่ากำหนดตรงมาหรือว่ากำหนดตัวไหนก็ตามจิตเข้าสู่ความสงบถึงจะเป็นอุปาจารหรืออัปปนาสมาธิ เพียงแค่อุปจารสมาธิจิตใจก็มีความสุขแล้วจิตใจไม่มีอารมณ์เข้ามารบควนไม่ได้เข้ามาหลังแก่ไม่ได้เข้ามารบควนจิตใจจิตใจตัดขาดออกจากอารมณ์ต่างๆจิตใจมีแต่สติกับความรู้อยู่ด้วยกันเพียงแค่นี้ก็มีความสุขใน้ระดับหน่ง แต่ถ้าว่าลงไปอีกอย่างที่ว่าอัญปปนาสมาธิติตเป็นอะไรจิตเป็นนั้นจิตเป็นอะไรติเป็นนัน้นนั้นแต่ว่าสูงสุดของสมาธิแต่เมื่อเราถึงขึ้นมาถึงอุปจารสมาธิแต่ถึงขนาดนั้นมันก็ยังไม่อยากจะออกเหมือนกันเพราะมันออกไปเหมือนกับออกไปไปทำงานไปคิดมันเหนื่อยมันไม่อยากจะออก อาย์ท่านบอกบั ง, บงคับแต่บังคับให้ออกพิจารณาพิจารณาอะไรกันไห้กรรมฐานออกมาเลยถึรรมฐานห้าเอสาผมโมาลระคาในพันตาปันตะจูนันงเราจพิจารณาอาการสามิบสองของร่ากายนนเองกระดูกเยื่อในกระดูกมามหัวใจตับผังผืดไตปอดใช้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าดยูยร่างกาย เราจะพิจารณาถึงกระดูกอย่างเดียวในร่างกายกระดูกเป็นโครงสร้างของร่างกายอ น, นั้นก็ได้อีกเหมือนกันอันนี้ ค, คือการพิจารณาร่างกายในการพิจารณาร่างกายเนี่ยเราได้อะไรทําไมจึงให้พิจารณากระพุทธเจําไมให้พวกสาวิสุทธิ์สัมมาเนมบารสุบารสิกาของกันให้พิจารณาร่างกาย ท่านบอกว่าใจคือตัวผู้รู้คือใข่อยู่ในจานนะตัวใขนะ่น่ะตัวผู้รูนะ้มันหลงกายมันหลงกายของตัวเองว่ากายนี่จะเป็นของวิเศษวิโสปิดของเสร็จสวยงดงามเป็นของเจร่างทา่ามอันอะไรก็สดสวยมาให้กายทั้งหมดผ้าผมดีๆผ่านหนุ่มดีๆอาหารดีๆนะปัจจัยเรื่องอะไรก็ตามดีๆพยายาม กว้างเขามาเพื่อให้ร่างกายตัวเองดูดีจริงดีนะอันนี้คือหลงร่างกายแต่ตามไม่จึงร่างกายนี่ถึงจะสนุถนอมหาวัตถุอย่างดีมาเลี้ยงขนาดไหนร่างกายนี้ก็ยังเป็นกืดอยู่เสมอมันไม่ใช่ของเราพรอภิจารุวานนะ้น่จริงมันไม่ใช่ของเรานะเพราะว่าเรานี่ยก็คือคือภัย คือตัวผูรู้คือใจตัวไขท้น้ไ ข, ไข่นอจารย์คือร่างกายน ค, ค, คือคือจรคือทั้งร่างกายทวนไขนคือตัวรู้รู้เลยตัวรู้รน่เป็นเจ้าของของร่างกายบอกว่าใจถึงเธอจักชิดส่องแสวงหาสัมากมายมหาศาล ถึงจะหาจะตุปัจจัยถึงจะหาเงินคาทรัพย์สมบัติถึงจะหาพ้านุ่งห่มถึงจะยาหายาแก้โรคภัยไข้เจ็บถึงจะหาอาหารการบริโภคดีขนาดไหนมาปนปืนมาเลี้ยงร่างกายมาดูแลร่างกายทะนุถนอมร่างกายแต่ร่างกายนี้ยังไม่ใช่ตัวตนของเรายังเป็นอื่นอยู่เสมอนะมันยังเป็นอื่นอยู่เสมอนะ ถ้าเป็นของเราจริงเราบอกไว้อย่าแก่นะผมอย่างองนะตาอย่าฝ้าฟานะหูอย่านวกนะนังอย่าเหี่ยวนะมันก็ต้องอยู่ตามที่ใจขอร้องแนละที่ใจบอกกล่าวแต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นกายก็คือกายแต่ใจก็คือใจถึงเราจะทนุถนอมเลี้ยงปูปูเสือดีคาไต ร่างกายนี่กยังเป็นอื่นอยู่เสมอให้คิดดูให้ดีนะในเมื่อเราเห็นร่างกายแถวเก้าเตียงโผประมาณอย่าไปโลภอย่าไปหลงมันเกินไปอีกสักวันหนึ่งร่างกายนี่จะต้องถึงจุดจบแน่นอนไม่ต้องสงสัยทวายนั้นขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราสิ่งเราอื่นละ่ะแต่วัดว่าศาสนาส า, าราอะไรเนี่ยจะเป็นของหลวงพ่ออินได้ยังไง ขนาดร่ากายหลวงพ่ออินในแท้ยังไม่ใช่ตัวตนของเราหลวงพ่ออินจะไปยึดสราม า, าเป็นของตนเหรอเป็นวัดเป็นของตนเหอรอแต่ศรัทธายาโจรเขามันครบรับเขีว่าเป็นของตนเองเหรอแต่ครามะตัวเองร่างกายตัวเองยังไม่ใช่ตัวตนของเราเราจะไปยึดเฉียงบนนั้นว่าเป็นตัวตนของเราได้อยู่เหรออันนี้ก็คือเป็นธรรมะที่สอนโอปนัยโกสอนเข้าม า, าใจตู่กูรู้ร อย่าไปยึดในสิ่งเหล่านั้นอย่าไปให้ความสำคัญในสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของเป็นตัวตนของเราให้รู้จักประมาณตนให้รู้จักให้รู้เท่ารู้ทันรู้ภายนอกรู้ภายในให้ปฏิบัติให้ถูกในสิ่งเหล่านั้นอย่าไปยึดมั่นถือมัน่นะไปให้ความสำคัญว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นตัวตนของเรานี่แหละแต่เนีย่ยเมื่อเรารู้แล้ว่าเออใช่สิ่งเหล่านี้อีกสักวันหนึ่ง แต่ชาวปราชญ์จะต้องนีจากเขาแน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยแต่พอเราเห็นคนอื่นเขาห น, นีกันมากต่อมากแบบในเมื่อเราพิจนารณาเห็นจาก น, า น, นั้นน้วถึงเราก็เจอเข้ามาตัวผู้รู้คือใจลววะวันมาดูใจของเราตัวผู้รู้นะอย่าหลงนะในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะเป็นอนนะไรจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกนะหนตาไนมะ่ใช่ตัวตนของเรานะ ปล่อยวางนะให้ว่างนะอย่าไปยึดมั่นถือมันนะคือให้ว่างอยู่ที่ใจทําใจให้ว่างทําใจให้ปล่อยวางทําใจไม่ให้ยึดมั่นถือมันอย่าให้ความสําคัญในสิ่งเหล่านั้นเราเป็นเราเป็นของเราอีกสักวันหนึ่งเราจะตองทิ้งทั้งหมดในใจของเรานอกจากกุลกับบาบเท่านั้นนะ่ะที่จะติดใจไปด้วยรับปลูกเข้าของเงินทองยึดถามันตายสัก มีภรรยาลูกเต่าเหล่าล้านแต่วัดวา ศ, าศาสนาศาลาอาคารอะไรก็ตามเราเออกไปด้วยไม่ได้ทั้งนั้นแต่ถ้าว่าเรายังมาติดมาเข้ามาแวดกับมันอีกอยู่เบบเพอๆเรายังมาเป็นห่วงมันอีกอยู่เราจะมายึดมั่นถือมันในเสียงลมเห่านี้อีกอยู่ใจของเราจะมาให้ความสําคัญมาติดมาเข้งกับวัตถุเหล่านี้อยู่นหละเมื่อเราตายไปแล้ว เราก็จจะมาเป็นสัตว์สาราสิงห์แห่มาของมาแวะมาเป็นเปรตห่วงหาอะไรอยู่ไปที่ไหนก็ไม่ได้เพราะนั่นใจอีกใจใจอย่าไปรุ่มโหรโมเมาในสิ่งเหล่านี้มากเกินไปนะใจนะเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเรานะอีกใจสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวตนของเรานะ ใ, นใจสิ่งเหลนี้เป็นอนิจจังทุกขะนาตานะสรุปแล้ก็คือให้สอนใจตันเอง ในเมื่อใจของเราได้รับการเชี่ยวตอนี่แล้วเป็นสมาธิดีเป็นด้วยดีขั้นตองตามขั้นตอนลองอมาใจของเราเห็นรู้เห็นตามความเป็นจริงเพราะว่าสติอยู่กับตัวเองมองเห็นมันก็เห็นได้ชัดเจนมันไม่เหมือนแต่ก่อนเมื่อเราคิดแต่ก่อนนั้นเราคิดโดยชื่อวจิตใจของเราไม่เคยเป็นสมาธิมาก่อนมีแต่คิดด้วยชั้นยาและสังขาร สัญญาคือความจําได้ไหมายรู้สังขารคือความปรุงแต่คิดมาเองคิ ด, ค ด, งง ด, คดผ่านผ่านหลงมึนมึไปคิดผ่านผ่านไปแต่ถ้าเข้าใจของเราเป็นสมานที่ดีใจของเราอยู่กับเนื้อกับตัวเราพิจารณาจอ่อลงหยุดไหนก็เห็นได้ชัดเจนในในไตรลักษณ์อริยงคุกขัหน้านตาพิจารณาใจความนึกคิดของใจใจปูใจปูปแต่ใจปูฟุงสัน่นเราก็รู้ว่าในีต่ของเราลนะ ไปติดไปข้องกับชิงเราแล้วนะไปโโหโท่โโกับชิงเรานั้นนะไปรัดไปเกลียดไปโตกับชิงเรานั้นนะ ไ, ไ, ไ, นนนะไม่มีใครที่จะรู้ยิงกว่าตัวของเราจัดท่านเราก็ปล่อยวางอยู่ทีใจไม่ให้ยึดมั่นถือมันสิ่งท่างหลายทั่านโงปเป็นแต่เพียงปัจจัยอาศัยโชคขาวเท่านั้นเราจะไปยึดมั่นถือมันว่าเป็นของของเราไปยึดมันให้งโง่ทําไมเพียงแตเรามาอาศัยอีกสักวันหนึ่งข้าจะต้องทิ้งจะต้องปล่อยวาง เขาจะเข้าไปเจ้าจะไปยึดมันถือมันได้อย่างไรนี่แหละอันนี้คือธรรมะขั้นสูงสุดของพระพุทธศาสนาไม่ใช่อยู่ที่จัที่เหลืไกลปล่อยวางที่ใจเมื่อใจปล่อยวางแล้วก็ใจปลุปกพลจะหาสวัสดิ์กิเลสเมื่อใจปุจกพลอาจวัสดิ์กิเดสใจตกเนี่ยเป็นมิจฉิตรู้เข้าเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมเข้า วงจรที่ว่านิพพานธรรมสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานธระมังสุขอย่างนิพพานสูงสูงคือศูนย์ไม่มีเชื้อที่จะทําให้มาเวียนว่ายตายเกิด น, นวาตตะสงสารอีกมีแต่บรมสุขเพราะจิตใจบริสุทธิ์จิตใจเป็นเอกเทศจิตใจเป็นอินอสระจิตใจไม่กิเละราคาโทสะมวัวไม่ควบคุมไม่มังคับ มาอยู่ในอาณาของกิเลสตัวไหนทั้งหมดใจเป็นอิสระ ใ, ใจเป็นเฉลีเป็นอิสระไม่ติดข้องกับใครๆพอรู้แล้วในสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ตัวตนของเราถ้าเรายังมาเวียนไหวาตายเกิดกันมาทิพมันถือมันในสิ่งเหล่านั้นอยู่ใจของเราก็ต้องเป็นบ่อยของกิเลสกิเลสเป็นผู้ผลักดันเป็นผู้ควบคุม ใ, ใจของเราจะต้องเป็นทุกเดี๋ยวก็เศาหมองเดี๋ยก็พร้อมใส แต่เดี๋ยวก็เป็นทุกในเรื่องนั้นทุกในเรื่องนี้เพอาะเหตเข้าใจพวกเราไปแบบภาระแต่มีอะไรก็รับหมดแต่มันจะรับหมดได้เปงไงถ้ารับหมดจะง้องรับให้ง้อรับง้อนะรับเพื่อโง้ไม่รับเพื่อรู้จักปล่อยวางเพราะท่านท้าวเราปฏิบัติธรรมมาหนมนานแต่ ให้พิจารณาถึงจุดนี้อย่าไปยึดมั่นถือมั่นพยายามปล่อยวางในจิตใจแต่ผิวภายนอกเีที่เราจะต้องเกี่ยวข้องกันันั้นเราก็รับตามสมมุติยมอย่าให้ขาดตปกบกพร่องเนี่เมื่อเราทำมาเราก็ทำให้ถูกต้องตามลกสมมุติเขาแต่ส่วนลึกของหัวใจแล้วให้เราคิดจันจัวะการคิดที่ว่าอย่าไปเกาะอย่าไปยึดอย่าไปติบมั่นนะ มันไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งหมดนะใจนะอันนี้เดี๋ยวคือภาษาใจของเราเนีภาษาธรรมะของเราแต่ภาษาธรรมะนี้เราจะไปพูดเราพาพูดไปเรื่องจบจบเขาบ้าว่าบาสนั่นกันบาธรรมะเข า, านั้นโรีกสมมุติเขาก็ไม่รู้อยางเห็นจริงเขาไม่เขาไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งเ น, นี้เมื่อเราเป็นรู้แต่เราเราได้ปฏิบัติเขาเขาได้เพียรู้เนี่ย ว่าอันไหนเป็นอันไหนรู้รู้ทั้งสองเงื่อนรู้ทั้งสมมตริรู้ทั้งวิมตุตติมุติคือความหลุดพ้สมมติก็คือโลคสมมติทั้งหลายทั้งปวงจะต้องใช้อย่างไรเรารู้ทั้งสองเงื่อนแต่เราปฏิบัติให้ถูกต้องไปทําได้แต่ถ้าเรารู้แต่โลกสมมติอย่างเดียวเติมวิมุตติเราม่รู้แล้วคนเขาก็ยึด <c oughs> อย่างนั้นยึดตามโลกสมนติแต่ตามไม่จริงเราควร เมื่อผู้ปฏิบัติแล้ ว, ลวเรารู้ได้โดยตนเองเราปล่อยวางวิมุตต์สมมุติวิมุตต์มันอยู่ที่ใจของเราทั้งนั้นเราใช้ได้ทั้งนั้นแต่ตอนนี้ไปตอนนัสมาธิรัติน่ ะ, นนะการผุดการแสดงวันนี้ก็เห็นว่าทมควรกับการเวลาในพูดแม่แนวหลายอย่างวันนี้ตั้งแต่เริ่มต้นการเป็นอยู่ เรื่องการเป็นอยู่เรื่องศีลควรทำตรนอย่างไรเรื่องทางศีลภาวนาเป็นขั้นตอนตามลำดับจนถึงปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นอันนั้นคือธรรมะสูงสุดที่พระพุธเทธเจ้า <c oughs> พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านไป้หลุดพ้นท่านเดินมาตามแนวแถวนี่แหละแต่ถึงพวเราจะเดินไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็ <c oughs> พวกเราไปให้เตียนรู้เอาไว้ว่านี่แหละนักของระศรราสนา เป็นลักษณะอย่างนี้นะแต่วันนี้การพูดการแสดงทำก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาคออยุดพัง